รากาช่วงนี้ได้ท่านผู้ฟังเท่าไหร่เสียงถามจากมหาวิทยาลัยศรีปทุกมกําลังนําเสนอเรื่องประสานดีบุตรมาโดยลําดับเรื่องราวของท่านได้กล่าวธรรมะและเล่าเรื่องต่างๆไว้เป็นอันมากมีการแบ่งเป็นพระคาถาพระคาถา แล้วก็พอดีก็อยู่ในช่วงปลายๆของพระคำผีปรมัตถทิปนีก็คือพวกมหานิบัดมหานิบาดนั้นหมายความว่าเรื่องยาวอย่างพระเจ้าสิบชาติอย่างเงี้ย็เรียกมหานิบัด พระคาถาจะมีเยอะมีพันพระคาถาแต่ว่าทั้งหมดมันคือสาระในพระพุทธศาสนานั่นเองแล้วก็เป็นการสรนะท้อนเราเห็นว่าธรรมะนั้นมันมีอยู่ทุกคนทุกแห่งเราเข้าใจที่จะมองสิ่งเหล่านั้นหรือไม่ ถ้าเรามองเป็นเราเข้าใจเราก็หาประโยชน์จากเขาได้พระบางรูปท่านมองดอกบัวแล้วก็บรรลุมรคผลได้มองฟองน้ำมองตอบน้ำมองพยับแดดมองก้อนเมฆมองอากาศก็ทำให้บรรลุมรคผลได้ดังนั้นพระสารีบุตรท่านก็ นำเรื่องเหล่านั้นมาแสดงให้เห็นแต่ว่าเราคิดได้ลึกซึ้งขนาดไหนก็ไปนิ่งเรื่องเนีย่ยแน่นอนในขั้นของการฟังเนี่ยยังไงมันก็ผ่านไปเร็วคือฟังไปเรื่อยไม่ได้หยุดคิดในประเด็นใดประเด็นหนึ่งก่อนถ้าจะคิดมันก็จับไว้สักประเด็นหนึ่งแล้วค่อยคิดทีหลัง แต่ตามปกติมันก็คิดเห็นในขนาดนั้นน่ะระดับหนึ่งจะเล่าเรื่องพระเทระที่ประรบ ก, กับกลุ่มเพื่อนภิกษุด้วยกันเล่าเรื่องราวตั้งแต่สมัยที่ท่านเป็นดาบทชื่อสุรุจิแล้วก็ได้ทำอะไรอย่างไรมาจนถึงข้ามาบวชในพระพุทธศาสนา ในช่วงนี้ท่านบอกว่าเราเป็นผู้ปราศ จ, จากกิเลสทุลีปราศ จ, จากมนทินเพราะเห็นท่านปราศชิคอร์ก็มีประเด็นว่ากิเลสทุลีกับมนทินกิเลสนั้นก็คือสปปรรพกิเลสทั้งหมองเครื่องเศร้าหมองใจที่เป็นดุกทุลี ธุลีก็คือพวกฝุ่นผู้ละอองต่างการเทียบเคียงราคะโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะว่าเป็นเหมือนฝุ่นเหมือนละอองเหมือนธุลีตกลงไปในที่ใดแล้วก็จะทำให้แปดเปื้อนเมื่อมันเกิดขึ้นที่จิตจิตใจเราก็แปรผ่านไปตามธุลีเหล่านั้นใล้กับ ทุลีสีผงสีขาวตกอยู่ในพื้นเมื่อพื้นตัวน้ำก็ขาวไปที่ดำตก ส, สีพื้นตัวน้ำก็ดำไปกิเลสที่เกิดขึ้นไปในใจก็มีลักษณะอย่างนั้นแล้วก็มนหินเนี่ยก็คือกิเลส น, นั่นเองแต่ว่าท่านย่อยเป็นเก้าข้อก็อสรุปแล้วก็คือโลกลดลง เรียกามลทินมันมีมูสาวาตอยู่ด้วยเอานั้นก็เป็นอาการทางใจแต่ว่ามีมูสาวาตอยู่ด้วยข้อนหนึ่งพราติจาคมลทินปราศจจกทุลีเพราะเห็นท่านพระสิชิตคือการพระเห็นพระสิชินั้นได้สร้างความประทับใจให้แก่ท่านในสมัยที่เป็นอุปติสสะปริภาโชคมาตั้งแต่ต้น แล้วก็ตัดสินใจลึกๆแล้วเราจะเห็นลักษณะอย่างหนึ่งก็คือความเชื่อเนี่ยมันเกิดแล้วเพราะผ่านปัญญาพินิตติพิจารณาถึงอาการเคลื่อนไหวของปฏิระถึงแสดงเห็นว่ามีความสงบอยู่ข้างในลักษณะของพระหันที่เด่นเนี่ยคือเขาเรียกสันติสันตากา ย, ยสันตาวาจุสันตามนุ กายสงบว่าจจสงบใจสงบ ม, มันสงบสอครองกันถึงแน่นอนระดับหนึ่งสามัญชนเราก็ทำได้แต่พอดีเอาพระจริงใจมันไม่สงบจริงเลยก็สงบอยู่ไม่ได้ตลอดก็ต้องใช้ความพยายามกันไปเรื่อยๆเมื่อพระสัชชิได้แสดงธรรมะสั้นๆ ว่าธรรมทั้งหลายคือแต่เหตุพระตถาโเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นประมาณสมณะมีปกติสัตย์อย่างนี้ท่านก็ได้ดวงตาเห็นธรรมทีนี้คำว่าดวงตาเห็นธรรมเนี่ยมันทําให้กิเลสมันดับดวงตาในที่นี้ก็ตาปัญญาฮนะตาปัญญาคือตาใน ที่เห็นธรรมะตามความเป็นจริงมันคล้ายๆกับอะไรล่ะคล้ายๆกับเราเห็นคุณของพ่อแม่เห็นคุณของครูบาอาจารย์เห็นคุณของพระตระัดไตรถ้าเราซึ้งในสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยธรรมะมันจะปรากฏเกิดขึ้นจะยกตัวอย่างว่าโลภะโทสมโมหะเนี่ยเดีย๋ยวถ้าเราเห็นคุณของพ่อแม่ เราจะไม่โลกอยากได้อะไรจากกันแต่เราจะรู้สึกสุขใจภูมิใจดีใจที่ได้เลี้ยงดูประากบบำรุงพ่อแม่พ่อแม่ว่ากล่าวตักเตือนห้ามปรามอะไรก็ตามเราไม่โกรธแล้วก็เวลาพูดจากกันเราก็คารเุเผิดผลแม้บางครั้งบางคราวพ่อแม่จะจะเห็นผิดไปบ้าง เราก็ไม่เถียงด้านเราเป็นว่าแต่ว่าโอกาสบางโอกาสคุยกันพูดในเรื่องเหล่านั้นเราก็อาจจะเล่าให้ฟังเขาเป็นการเล่า้วยความเคารพเพื่อให้พ่อแม่ได้เข้าใจถูกต้องตอนนั้นหรือกิเดมันจะลดอ่ะทีนี้ถ้าใจเห็นเกรตชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ เราซึ้งในคุณของแผ่นดินดูเราเชื่อมโยงกับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์จนแยกไม่ออกหมายความไม่มีท่านก็ไม่มีเราการที่มีเราก็เพราะมีท่านแล้วเราก็พร้อมที่จะทำาพร้จะเยสีสละต่อชาติบ้านเมืองต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ผลการเห็นธรรมของท่าน เธอเรียกว่าดวงใจทนะครับเก็ทำให้ท่านละกิเลสได้กิเลสประเภทสังโยชนะฮะเป็นกิเลสที่ละเอียดสามข้อด้วยกันก็คือสักยัติติความเห็นไม่เนื้ถือตัวถือตนเป็นตัวเป็นตนมีตัวเป็นตนวิจิษาคือความเคลือบแครงสงสัยไม่แน่ใจ ในเรื่องใหญ่ๆก็คือเรื่องพระพุทธเจ้าเรื่องพระคุณพระพุทธเจ้าพระคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์คุณของไตรศิกขาแล้วก็ชีวิตในอดีตชีวิตในอนาคตชีวิตทั้งในอดีตและอนาคตและในกฎของปฏิจจสมบัติตึกกฎหมายความมาทั้งหมดนั้นถ้าเข้าถึงกฎปฏิจจสมบทัทอย่างอื่มนก็หายหมด หรือว่าเราเชื่อมั่นในพระพุทธคุณจริงๆเรียกว่าเชื่อมั่นชนิดที่ไม่หวั่นไหวในคุณพระตัณฑ์ไปมันก็ไ ป, ไปขาจัดความสงสัยเหล่านั้นได้เองเพราะฉะนันสิ่งเหล่านี้จึงเรียกว่าโสตาปฏิยังข้าคือคุณของพระโสดาบันองค์กุณของพระโสดาบันเอาจิงก็มีสี่ มีศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในใจสี่ขาอาการโกรธเกลียดอะไรต่ออะไรต่างๆนี่จะไม่มีแสดงว่ากิเลสต่างๆก็พอยย่งบตออามนะฮะแต่ว่าที่บรรดับจริงๆก็คือสามอย่างกระบวนการของกิเลสนั้นเขาเกิดก็ เ, เกิดด้วยกันเพิ่มก็เพิ่มด้ดยกันลดก็ลดดยกันเหมือนกับธรรมะนั่นแหละ คือพิ่มก็เพิ่มโดยกันก็ลดก็ลดโดยกันทีนี้ท่านบอกว่าปราศชิพระสาวกนามว่าอัศจินั้นท่านเป็นนักปราบเป็นอาจารย์ของเราคือแน่นอนนะพระอาราหันต์ก็ต้องเป็นนักปราบเพราะอะไรเพราะท่านได นิรุตติไปสัมพิทาได้พิญญาได้พิชาสามพิชาแปดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการสื่อสารของท่านนีมันแตกฉานทั้งภาษาแตกฉานทั้งเนื้อหาแจกฐานทางปัญชนะักแล้วก็มีไววพริบ ป, ปฏิภาณที่จะอธิบายธรรมะให้คล้อยตามพื้นเตจริตอัตยาสัยของหูฟัง แล้วก็เกิดทุนนะฮะเกิดทุนอาจารย์มากจนขนาดว่าพระส ช, ชิอยู่ในทิศใดเนี่ยก่อนจะนอนพระสารีบุตรก็จะกราบไปในทิศนั้นแล้วก็นอนหันศีษะไปทางทิศนั้นเป็นการแสดงความสำนึกคุณแล้วกาตันอยู่ พระท่านก็เป็นบันไดบันไดขั้นสำคัญที่นำให้ภาษาดิบุตรได้รลายเป็นพระอรหันตระดับมังสาวกนั้นบอกว่าเราเป็นสาวกของท่านวันนี้เราได้เป็นธรรมเสนาบดีถึงที่สุดในคุณทั้งปวงเป็นผู้ไม่มีอัศวะ ก็แสดงว่าคำภาษาวกเนี่ยที่จริงก็ก็ใช้กับพระพุทธเจ้าก็าทำให้เราเข้าใจ่อ๋อเขาใช้กับอาจารย์กับลูกศิษย์ด้วยพระสาวกโกนี่เปรียบผูกฟังท่านได้บรรลุโสดาปฏิผลเพราะการฝังธรรมะในสำนักของพระสิจิปนท่านก็เป็นสาวกของพระสิจิ แล้วเวลานี้ท่านก็เป็นไปถึงรามเสนาบดีคือหมายความว่าผู้เป็นใหญ่ในฝ่ายธรรมเป็นดักราวว่าฝ่ายขวาของพระพุทธเจ้าที่เลิศทางปัญญาเหมือนกับพระพุทธเจ้าเป็นประเจ้าจั ก, กรพรรดิท่านก็เป็นเสนาบดีแต่ว่าเป็นเสนาบดีในทางธรรม ไม่ใช่เป็นเซนาบดีในทางโลกพระโมคคัลลานะก็เหมือนกับแมททับมีความสําคัญเรียกว่าพอๆกันแหละเซนาบดีกับแมททับยามเกิดสืบเสือเนื้อใต้ขึ้นมาแมททับก็มีบทบาทหลักยามปกติเซนาบดีก็มีบทบาทหลัก แต่ว่าต่างภายต่างก็ทำงานรับผิดชอบในภารกิจของตัวเองประการต่อไปท่านบอกว่าถึงที่สุดในคุณทั้งปวงหมายความว่าคุณระดับพระสาวกเนี่ยมีเท่าไหร่ท่านก็มีคุณเหล่านั้น อย่างที่บอกไว้ในวันก่อนนะว่าคุณของพระอระหันต์ในส่วนที่เป็นอั ต, ตคุณคือคุณส่วนตัวของท่านสรุปรวมแล้วก็คือปฏิบัติดีปฏิบัติทรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรคือเป็นนายเหนือกิเลสเนี่ยสามีจิปฏิป น, นุ น, นั้นเป็นคุณระดับพระอระหันต์ แต่ว่าคุณที่เกื้อกูลแกคนอื่นก็คือบทที่เราสวดในสังฆคุณที่ว่าอาหุนโยภาหุนโยธกินโยอัญเชลิการะนโยอนุตรังคุญจักเกตังแล้วกสัตเนี่ยมันเป็นปรายตะคุณคือคุณที่เกื้อกูลต่อบุคคลอื่นพรานั้นแม้แต่ทําใจเลื่อมใสก็เป็นบุญแล้วยกมือไหว้ก็เป็นบุญแล้วยิงกราบยิงเป็นบุญใหญ่ยิง อุปถากความรุงท่านดิ่งเป็นบุญใหญ่เพราะว่ามันเป็นเนื้อนาบุญของโลกคือสุดๆนีดด่เป็นเนื้อนาบุญของโลกเอาเฉพาะระดับอ ร, ริยสาวกนะฮะเขาเรียกอริยสงสมมติสง์นั้นก็เป็นเรื่องโดยอนุโลมยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ดอก เขาจะต้องพยาพยามพยายามปฏิบัติพัฒนาจิตใจของตัวเองไปเรื่อยๆประการต่อไปท่านบอกว่าเป็นผู้ไม่มีอสวะอสวะก็คือกิเลส ท, ที่หมักม่มสะสมอยู่ภายในจิตสันดานของมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยจริงๆก็ของสัตว์โลกทั้งหลายนะ สรุปแล้วก็สามสายใหญ่ๆอกามาสวะอสวะคือกามความใคร่ตัวความใคร่อะความกำหนัดความโลภความใคร่ความพอใจความยินดีความปรารถนาความต้องการที่จะตอบสนองความต้องการของบุง ก็เป็นเหตุไห้เกิดโลกนี่แหละแล้วก็เพราะวะสวะก็คืออาสวะคือความเป็นต้องการเป็นอย่างนั้นต้องการเป็นอย่างนี้ต้องการเป็นอย่างโน้นแล้วก็ยึดติดในความเป็นเป็นนาตาที่เครื่องใหญ่แล้วก็ไปรวมลงที่อวิชาสวะอาสวะคืออวิชา ว่ามืดบอดในด้านเหตุผลสติปัญญาแล้วแต่ว่ามันจะเข้มข้นขนาดไหนคนเราทุกคนมันก็มีวิชาการทุกคนนั่นแหละมันมีใครรู้จริงครับเพียงแต่ว่ามันมืดบอดรุนแรงขนาดไหนให้เราสังเกตว่าแนวการปฏิบัติธรรมา น, นี่ยบางอย่างเราไม่สามารถที่จะเข้าถึงได้เข้าใจได้ เราก็เชื่อต่อท่านผู้แสดงเชื่อต่อพระพุทธเจา้าเดาใช้ศรัทธาบำปัญญาเราสามารถคิดเห็นได้ทำความเข้าใจได้เราก็ใช่ปัญญาดำปัญญากับศรัทธาก็ประคับประคองใจเราจุดใดจะต้องใช้ศรัทธาไปก่อนจุดใดจะต้องใช้ปัญญาก็ให้เหมาะสมไม่ใช่ว่าใช้ศรัทธา ได้ไปจนไม่รู้อะไรเป็นอะไรหรือว่าใช้ปัญญาโดยไม่อิงอาศัยศรัทธาปัญญาที่ใช้โดยไม่อิงอาศัยศรัทธาเนี่ยเราจะเห็นว่าถึงจุดหนึ่งมันก็เป็นทิดติอาจจะเป็นมิจฉาทิจฉีได้เพราะไม่มีกฎเกณฑ์ก็อตีความมาเองเข้าใจเอาเองแล้วก็ สินใจเอาเองราะฉะนั้นในการปฏิบัติถ้าเริ่มที่ศรัทธาได้เริ่มที่ปัญญาได้มันก็เดินหน้าได้แล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นไปได้เบางอนตัวตัวปัญญาเนี่ยมันเป็นตัวทำลายวิชาแต่ในขณะเดียวกันศรัทธาเองก็ทำลายวิชา โดยก่ออิงอาศัยตัดสินใจตามที่ผู้ใหญ่ท่านบอกไว้เ้วก็ตัดสินใจเลยบางทีเราก็มีปัญญามากพอเราตัดสินใจเองเลยก็แสดงว่ามันดูตรงกันข้ามกับอวิชชาสวะสวะคืออวิชชา ท่านพระสาวกนามว่าอัศชิปุเป็นอาจารย์ของเรานั้นท่านอยู่ในชิตใ ด, ดเราจะทำท่านไว้เป็นเนือ้อศีรษะในจิตนั้นคือนอนหันก็ยังนึกนึกเหมือนกันก น, นะฮะว่าก็คงจะ พระพุทธเจ้ากับพระศริชินั้นก็คงจะอยู่ในที่เดียวกันเพราะว่าถ้าจะหันหัวไปเฉพาะด้านพราศริชิแล้วถ้าเผื่อว่าพระพุทธเจ้าอยู่อีกด้านหนึ่งจะทำไงแต่ว่าคงจะมีวิธีนะฮะคงจะมีวิธีเพราะว่าท่านมียานอย่างรู้ว่าอยู่ตรงจริ ง, จ ร, งจริงนี่มันอยู่ตรงตรงไหน ก็ทำให้ธารมาที่จะหันเท้าหันศีรษะไปหาปราสาทชิโดยไม่ต้องหันเท้าไปหาพระพุทธเจ้านี่ก็คือลักษณะที่ชิดเด่นมากก็พยายามสร้างตัวอย่างให้เป็นแบบอย่างแบบแผนคือในแวดวงของพระมีข้อที่น่าสังเกตอย่างหนึ่งนะคือ การเป็นอุปชายะอาจารย์กันมันก็เป็นเรื่องชั่วขณะก็ไม่นานเท่าไหร่ก็เสร็จละภาระของอุปชายะในช่วงบุบรรพชาอุปสมบทบางทีอุปชายะบางคนก็ไม่เคยสั่งสอนอะไรแต่ไม่มีความสามารถในการสั่งสอนบวชมาแล้วอาจารย์ก็จะดูแลสั่งสอนไป แต่ว่าสัิที่ดิกจะนับถื อ, อประชา์ไหมก็คล้ายๆกับพ่อแม่คนที่สองคนที่สามแล้วการปฏิบัติวัฒถากต่ออุปัชายอาจารย์แถ้าเรามองภาพของครอบครัวนะฮะว่าครอบครัวที่มีลูกหลายคนเนี่ยลูกจะพร้อมกันดูแล ธนุบัณพมารดาบิดาหรือไม่สวนใจก็จะเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลเป็นเน้นหนักไปในตัวบุคคลเฉพาะบุคคลแต่ประสงค์โดยเฉพาะพวกระดับกรรมฐานเนี่ยคือเขาอาจจะแบ่งบเวรเรืออาจจบางทีอาจจะแย่งกันเลยทาหน้าที่ดูแลครูบาอาจารย์เจ็บไข้สบายแม้แต่จะสั่นข้าว แต่จะสง่าแม้แต่จะนอนโอ้ดูแลจะใส่หน้าดูเลยถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่พิเศษอย่างหนึง่งที่สร้างคนให้มีความสำนึกกตัญญูกตวเวทีแล้วก็ได้อย่างสูงแต่ความรู้สึกเอนนี้เธอสึกออกไปเธอนำไปใช้กับพ่อแม่ด้วยเนี่ยสังคมจะสวยงามขึ้นเยอะนะ การปฏิบัติระหว่างครูบาอาจารย์กับศิษย์ศิษย์กับครูบาอาจารย์มันแสดงถึงความเคารพผูกพันแต่ก็มีแหละคือบางคนนี่บุตรชายญาติอยู่อีกวัดหนึ่งตัวเองอยู่อีกวัดหนึ่งบวชแล้วก็ไม่ได้พบกันถามบุรชายญาติชื่ออะไรเนี่ยไม่รู้เลยทําไป น, นี่กเ็เป็นโครงสร้างของสังคมเราจะโทษคนไม่ได้ละมันเป็นโครงสร้างเพราะว่าไปมีกฎหมายไปบังคับควบคุมเอาไว้ว่าคนเป็นอุปัชายะจะต้องมีคุณสมบัติอย่างนั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าว่าไปแล้วก็ต้องได้รับแต่งตั้งาจากคณะสูงคือวิในเนี่ยของพระพุทธเจ้าเนี่ยพรรษาพ้น1ิบก็เป็นอุปัชาย์ได้ แต่เราก็ไม่เอาวินัยนะแต่เอากฎหมายใช้กฎหมายเป็นเกณฑ์ละเลยกฎในพระวินยัยทําให้มีการโอกาสในพระซึ่งเขามีความรู้ความสามารถแล้วพอดีได้ไม่ได้รับการแต่งตั้งมอบหมายสุดมากคนได้รับการแต่งตั้งมองหมายมกักจะเป็นเจ้าวาดแล้วก็เป็นเจ้าคณะอย่างอื่นอีกนะเป็นเจ้าคณะตําบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะภาค แล้วเนี่ยแล้วก็มีขอบเขตในการบวชก็ทําให้สมผ่านวัดนั้นไม่ได้เป็นอุปช a r y a แก่คนที่บวชในวัดนั้นจึงตัวเองต้องรับผิดชอบตัเอง ก, ก็กลายเป็นอาจารย์ไปวิธีเหล่านี้ดีหรือไม่ดีเนี่ยคนนึกไม่ออกนะเพราะว่าเราไม่เห็นรูปแบบที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติตามหลักที่พระเจ้าทรงวางไว้ ก็คือโอเกนโอเกนวัาสิบพันสาขึ้นไปสามารถที่จะเป็นอุปชายะบูคุกุลบูตรได้มากุญจะหายไปนานแล้วนะฮะคงจะหายไปนานแล้วอย่างบอกบอ ก, ก็นึกว่าแถวสมัยราการที่ห้าอาจจะหายไปหรืออาจจะหายไปก่อนนานนั่นก็ได้เพราะว่ากฎหมายเข้ามายุ่งเกี่ยว คือหมายความรัชการเนี่ยเข้ามายุ่งเกี่ยวกับศาสนาตลอดทางในด้านให้คุณนก็ด้านให้โทษที่บางทีก็ล้ำเส้นวินัยมานะวินัยก็เป็นอย่างหนึ่งแต่ว่ากฎหมายก็เป็นอย่างหนึ่งเลยก็ทาให้เกิดความสับสนพอสมควรประการต่อไปท่านบอกว่า พระโคโดมผู้ประเสริฐกว่าเจ้าสักยะทรงระลึกถึงธรรมของเราแล้วหมายความว่าราจวงสักยะทั้งหลายนะก็จริงจรงมนุษย์ทั้งหลายก็ได้รับไปคือรู้แต่เจ้าเป็นผู้ประเสริฐสูงสุดกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายคือคนที่เข้าถึงคุณพิเศษ คือปัญญาบริสุทธิ์และกรุณาที่สมบูรณ์เต็มเปีย่ยมไม่บกพร่องตลอดตั้งแต่สัสุมารนีมาจนนิพพานไปมันก็หาใครไปทัดเทียมไม่ได้แต่ว่าที่บริสุทธิ์ในทํานองเดียวกันมันก็มีมากคือพระหานทั้งหลายนี่เรียกว่ามีปัญญามีความบริสุทธิ์มีความเมตตากรุณาในทํานองเดียวกัน แต่ก็ไม่เทียมเท่ากับพระพุทธเจ้าแล้วก็เพราะมองเห็นคุณสมบัติของภาษาดิบุตรเวลาประทับอยู่ในถ้ำกลางปิสูสูงและทรงตั้งเราไว้ในตำแหน่งเป็นผู้เลิศเราเพราะกิเลสทั้งหลายได้แล้วคำกงสอนพระเจ้าจเราได้ทำเสร็จแล้ว ทีนี้เขาท่านกรงกล่าวยาวนะต่านกรงกล่าวยาวแต่ว่ า, าก็เห็นว่าประเด็นมันซึมซ้ําแล้วเพราะว่าเป็นคุณสมบัติของพระอระหรันต์เห็นว่าคำเอาไม่มีอวะในปรากฏหลายแห่ง แ, แสดงว่าคำเรื่องซ้ําอกไม่จะป็นเพราะความอืดมันไปครอบคลุมเพราะความเหล่านั้นเอาไว้แล้วท่านก็เลยเปย์ยานใหญ่เลย ทีนี้ตอนที่แต่งตั้งพระสารีบุตรเนี่ยพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายสารีบุตรเป็นผู้เลิศ ก, กว่าภิกษุทั้งหลายโดยความเป็นผู้มีปัญญามากกว่าบท่านพระสารีบุตรนั้นครั้นสาเร็จ สาวกบรมีญาณแล้วดำรงอยู่ในตำแหน่งธรรมเสนาบดีหวังจะทำประโยชน์แก่หมู่สัตว์จึงวันหนึ่งเมื่อจับพยากรในรหัสโดยมุ่งเน้นถึงความประพฤติของตนแก่เพื่อนร่วมพรมจันท์ทั้งหลายจึงได้กล่าวคาถาเหล่านี้คือหมายความว่า เอาสิ่งที่ตนเองสัมผัสเป็นฐานแต่อธิบายเป็นภาพรวมหมายความคุณสมบัติของประหันทั้งหลายมีลักษณะอย่างเนี้แต่เราจะมองเห็นว่าพอลดหลั่นลงมามันก็ลดหลั่นลงมาได้ตลอดถึงสามัญชนคนทั่วไปเนี่ยเรียกว่าสัมผัสได้ระดับหนึ่งตลอด นั่นกล่าวเป็นคาถาตั้งแต่ข้อ981นะฮะ981จนมาถึงพันกว่าละจนมาถึงพันกว่าจนมาถึงข้อที่พันสิบหกนะนึกนึกดูกันแล้วกันก็คล้ายๆคาถาพรธทรมาบทอะเรรทำบทนั้นมีสี่ร้อยกว่าคาถา มีของภาษาริบุตรรามมาเยอะแล้วทีนี้เมื่อท่านอาศัยเฉพาะเป็นฐานในการคิดในการตัดสินใจในการแสดงก็ใช้เราไม่ได้นะเป็นการแสดงเป็นภาพรวมหมายความว่าใครก็ตามจะเป็นภิกษุเป็นภิกษุณีเป็นอนุบาสุเป็นอนุบาสิกาเป็นนางศิกขานาเป็นสามเณรสามเณรีนี่ ถ้ามีคุณสมบัติเหล่านี้ก็จะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นขอที่ห้ารอยแปสิบเดบุคคลใดสัารวมกายเป็นต้นสํารวมกายนั้นก็เน้นไปที่สี่สามพ่อนะแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็มีอาจาระคือความประพฤต เรียกว่าไม่ขนองกายคือการวางอิริยาบถการยืนการเดิ น, ก า, ดนการนั่งการนอนในการวางอิริยาบถเกิดต้งองสังเกตแต่ตัวเองก็ไม่รู้ตัวเอ ง, องนี่ว่าเวลานั่งเนี่ยมันเป็นย่งเงเกิดเก็นภาพผู้ชายเวลานั่งโดยเฉพาะจริงคือภาพๆเนี่ย คือยังนึกว่าเทำไม่นั่งทางขาหยดุดถ้าลดลงมาหน่อยไม่ได้เลยก็ดูแล้วไม่ค่อยสยุขสงบนั่นก็แสดงว่าอาการสํารวมระวังเนี่ยบางทีมันต้องนึกต้องนึกถึงภาพเลยว่าภาพมันจะเกิดขึ้นยังไงถึงบางครั้งบางคราวเนี่ยเราตร้องค่อนข้างจะละเอียดนะ ที่ละเมียดละไมอย่างเราจะเห็นว่าผู้ชายเนี่ยนั่งขัดสมาธิได้ไม่ค่อยหนักดแต่ผู้หญิงไปนั่งขัดสมาธิดูไม่ก็เรียบร้อยคือมันควรจะนั่งพับเทียบเราดูแล้วเรียบร้อยอันนี้เป็นความเหมาะควรแก่ฐานะของบุคคลแล้วก็ กรณีของกาลสถานที่เวลาสถานที่แต่ส่วนเวลาจเจริญกรรมฐานต่างคนต่างก็จเจริญอยู่ในเวทวงเดียวกันปรารถนาจะนั่ ง, งไงก็นั่งตามปกติแล้วก็นั่งคัสบัด ส, าสมาธิถ ท, ทาขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงดวบรงสติไว้เฉพาะหน้า ดูเป็นความสวยงามเป็นความสวยพอถ่ายภาพขึ้นมามันจะเห็นไม่ภาพสวยไยทีนี้ท่านบอกสํารวมกลายเป็นต้นมาความว่าจาจใจด้วยสํารวมวาจาก็คือสํารวมในการไม่พูดเท็จไม่พูดสอดเสียดไม่พูดเพื่อเจิเหรือไรไม่พูดคําหยาด บอกความวาจากันก็อยู่ท่านั้นนะี่ดีก ว, ว่าพูดจริงพูดดีมีประโยชน์เรื่องเหล่านั้นสรุปแล้วก็คือพูดจริงพูดดีมีประโยชน์ทีนี้สงบระงับสงบระงับนั้นมันสงบจากข้างไหนหมายความกิเลสมันต้องสงบก่อนแหละถ้ากิเลสไม่สงบ กายวาจามันสงบไปได้ก็ต้อง ท, ทํากิเลสให้สงบอย่างน้อยสงบระดับเสียงสงบกิเลสประเภทที่เรียกว่าวิติกามะคือมันทะลักล้นออกมาขนอกก็พยายามสงบใจจากกิเลสระดับนั้นหมายความมาสัมบูรณระวังในสีนั่นแหละแต่ก็เห็นอาการของความสงบจากนั้นมีสติ สตินั้นเราก็ใช้ไปสติแปลว่ารานไปแผ่ไปมันถ้าเราเทียบดูนะคล้ายๆกับความร้อนความเย็นที่มันแผ่ไปในเวลารวดเร็วแต่เวลานี้ถ้าเราดูแล้วการสื่อสารเนี่ยสื่อสารทางโทรทัศน์ทางวิทยุมันเร็วจริงๆติดต่อกันได้ทัวโลก คือดูปฏิภัยที่เฮติตรลทัศน์เราเอามาออกเนเมื่อก็คือขึ้นที่ประเทศไทยก็เรียกว่าถ่ายกันมาเลยนั้นแสดงว่ามีลักษณะแพร่ไปอย่างแต่ว่าภาคปฏิบัตินั้นถึงสังเกตว่าเราใช้สติในปัจจุบันแต่ก่อนที่จะใช้เนี่ยมันเราต้องมีประสบการณ์จากอดีตก่อน แต่เราไม่มีประสบการณ์จากอดีตรเราก็เราก็ใช้ไม่ได้เพราะมาต้องลึกระ ล, ลึกถึงอดีตแล้วก็ทําปัจจุบันพูดปัจจุบันพอพูดเสร็จทําเสร็จมันก็กลายเป็นอดีตแต่เราต้องรับผิดชอบผลในอนาคตเพราะอนาคตมันก็ต้องย้อนกลับมาคิดว่าเอ๊ะที่ทําไปดีถูกหรือเปล่าที่พูดไปนี่ถูกหรือเปล่าที่คิดอย่างนี้นี่ถูกหรือเปล่า ถ้ามันทั้งพลาดไปเราก็แก้ไขได้และแสดงว่าต้องตอนเรื่องเชื่อมโยงระหว่างการทั้งสามแล้วก็จะรับผิดชอบได้แต่การต่อไปก็คือมีความตำรีชอบมีความํำรีชอบนั้นอย่าลืมนะฮะพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ท่าน ตั้งแต่ที่มาเฝ้าครั้งแรกว่าถ้าดำริีชอบแล้วเนี่ยมันจะชัดเจนว่าอะไรเป็นสาระหรือไม่เป็นสาระแยกสิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นว่าไม่เป็นสาระแล้วค่อยจะประสบสิ่งประสบสิ่งที่เป็นสาระมีปกติเพ่งพินิษฐ์ตรสอบตัวเองตรวจสอบประการกายวาจาของตัวเอง ตรสอบสภาวะทางจิตของตัวเองจนถึงกับเพ่งชาญนะฮะจนถึงกับระดับระดับเพ่งแบบชาญแล้วก็อยู่ด้วยความไม่ประมาทความไม่ประมาทก็ละเอียดขึ้นไปไเรื่อยๆแต่ความไม่ประมาทที่สําคัญนั้นก็คือไม่ประมาทในวัยในชีวิตในความไม่มีโรค ไม่ประมาทในการละทุกจริตทางกายทางวาจาทางใจประพฤติสุดจริตทางกายทางวาจาทางใจแล้วก็ไม่ประมาทในการทําความผิดผิดให้เป็นความผิดที่ถูกต้องจนมาถึงจุดเดิมมันก็ละเมิดละไมมากเอาไม่ค่อยทันกันนี่ยนะคือไม้ความมาระวังใจอย่าให้กําหนัดอย่าให้โลภอย่าให้ขัดเคือง จะให้รุ่มโร่งจะให้ห ม, วมัวเมงหมายความาว่าระวังไม่ให้กิเลสคือราคะโลภปิตสาโ ม, มหานี่แหละรุ่มรุ่มจิตบังคับจิตให้กำหนัดขัดเคืองรุ่มโรงงมัวมเมาไปแล้วก็ถ้าเรามัดระวังได้ขนาดนี้อย่างน้อยเราก็อยุ่ตัวเองได้ ก่อนจะทําก่อนจะพูดก่อนจะคิดที่เรายุธที่ตัวคิดแล้วก็ไม่ทําไม่พูดมันก็แก้ปัญหาได้แต่การต่อไปบอกว่ายินดีในอารมณ์ภายในคือกรรมฐานคือพระอรหรนันต์ในเวลาท่านท่านพักอะไรท่านบ้างอะไรเนี่ยนะท่านจะเข้าสมาธิ อายุหรือสมาธิจะเข้าไปถึงทุทิยชาตแล้วก็พักอยู่ที่ทุทิยชาตเนี่ยมันก็พักจิตพักกายทาให้กายมีสุขภาพภาระนาำไม่ดีมีความเข้มแข็งแต่การต่อไปก็คือมีจิตตั้งมั่นดีแล้ว อันนี้หมายความว่าเป็นพระอาหารหันต์เนขณะตั้งมั่นดีแล้วลนะคือสามัญชนทั่วไปเนี่ยไอ้ตั้งมั่นดีแล้วนี่ยากไอ้ตั้งมั่นเป็นขณะขณะนี้ได้แต่ว่าตั้งมั่นดีเนี่ยคือตั้งมั่นอยู่ตลอดเพราะเรายังหวั่นไหวไปด้วยอำนาจอารมณ์ที่มากระทบจากข้างนอกแล้วก็หวั่นไหวจากการเนียวนึกตึกนึกขึ้นมาจากขา้างใน เพการจะแก้ไขปัญหาเราดีก็ต้องพยายามที่จะลดละไอ้กิเลสพวกนี้จางไปคลายไปบัรเทาไปจุดจิ่ใจมีความตั้งมั่นแล้วก็อยู่ผู้เดียวไมื่คามมาตามปกติแล้วพระนั้นไม่นิยมครุกครีด้วยบูคคณนั บางทีผู้จาอย่างไม่เดินไปบสถด้วยกันเนี่ย ก, ก, ก็ไม่ได้คุยกันถ้าไม่มีความจำเป็นอะไรก็ไม่ได้คุยกันคือการก็คุยเฉพาะที่เป็นคิดแตลักษณะแต่การตั้งวงคุยกันนึกภาพของชาวบ้านบางทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือคนยากจนเนี่ยตั้งวงกลุ่มเล่า ก, กันเดือม ก, กันกินกันสนุกสนามสวนเสเฮหา เงินหายไปเยอะวันๆแล้วก็ น, นึกว่าถ้าเรามีเหตุผลมากกอโดยแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจทางสังคมครับมันปัญหาอารมณ์อ่ะคือว่ากันตามความจริงมันเป็นปัญหาศีลธรรมหรือปัญหาอารมณ์หมายความว่าเราไม่สามารถจะควบคุมจิตใจของเราได้ แล้วก็ปล่อยให้ใจมันก็เลื่อนไหลไปตามกระแสอารมณ์เหล่านั้นดังนั้นถ้าหากว่าเราสามารถควบคุมได้แล้วก็เช่จ น, จนเจเนยท่านบอกว่ายินดีด้วยปัจจัยตามมีตามได้คือหมายความว่าเนี่ยปัจจัยสี่นี่แหละตามมีตามที่ได้ มีอยู่เท่าไหร่ก็ใช้สอยประโยชน์จากปัจจัยเหล่านั้นแต่เืเมื่อได้มาเนี่ยได้มากเราก็ยินดีตามที่ได้นี่ไม่ว่ากันแต่ถ้ามันเหลือเฟือเราก็ไปแจกแบ่งเอาข้าส่วนกลางเอาไปแจกแบ่งเอาช่วยส่งเคราะห์บุคคลอื่นแต่ออลักษณะทางโครงสร้างสังคมเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะมาก คือพระไปคุกคีกับสังคมไปเกี่ยวข้องกับสังคมแต่ถ้าไม่ยังนึกนะว่าต่อไปเนี่ยมันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงระดับที่เรียกว่ามีการเก็บภะษีพระซึ่งก็หมายความต้องเก็บภะษีบัตหลวงด้วยประเก็บภาษายภาษีของผู้นำศาสนาศา ส, สนาศสลด้วย เพ อ, อะไรเพราะว่าผู้นำเนี่ยมันเจือจางจากสิทธรรมมองในแง่ที่ให้งานบริหารประเทศของตัวเองแก่ปัญหาเศรษฐกิจได้แก่ปัญหาสังคมได้บางทีก็สั่งปัญหาสังคมทีนี้พอเก็บภาษีเนี่ยเราจะเห็นว่าพระจะไม่มีกําลังในการจ่ายภาษี เพราะว่ามันไม่ได้มีรายได้อะไรอ่ะมันขึ้นอยู่กับ ว, ว่าเขาในโบนไปแล้วเขาถวายเขาถวายก็ไปแก้ปัญหาในเรื่องเอื่นเงินที่จะเหลือแบบชาวบ้านเนี่ยมันก็ยากนอกจากว่าท่านที่มีบุญญาบรตมีสะสมอบรไมไปมากธุรกิดก็มาตั้งตั้งขึ้นเป็นกองทุนอะไรอย่างเงี้ย อย่ามาตั้งเป็นกองทุนใจรัตนานุภาพก็ใช้เผยแผ่ทำมาสนับสนุนการศึกษาแล้วก็ดูแลความมั่นคงของพระพุทธศาสนาแต่ก็ เ, เงินเล็กน้อยนะฮะก็ทําอะไรไม่ได้มากทุกวันยิ่งทําอะไรไม่ได้มากแต่เราก็จ่ายในเรื่องอื่นไม่ได้ก็จ่ายตามวัตถุประสงค์ของของงูนิธิในของของกองทุนแต่ น, นั่นเอง ขอทุนตั้งคําไว้อย่างนั้นก็จ่ายสามเรื่องพอมาถึงเรื่องอื่นเราก็แก้ไม่ได้มันก็ต้องมีรายได้อย่างอืาา่นครับอ่ะแต่โดยมีคนก็ต้องวมีมี ม, มไปเทศมีมนไปบรรย า, ร า, ายนี่เลยต้องไหวเราก็จ่ายใหญ่พวนั้นได้เพราะว่าเป็นเงินที่เขาตวายเราทีนี้ถ้าก็าทางวายไหวาวัดมันก็ติดคู่กับทีนี่ เราก็แต่ต้องไม่ได้เลยดังนั้นปัญหาตรง น, นี้ในอนาคตนะฮะมันจะนานขนาดไหนนี่คงไม่นานมาเพราะว่ากระแสของสสเนี่ยมันเริ่มมีหลายปีแล้วผู้ทงการจะเก็บภาษีพระโดยไปมองที่พระซึ่งมีอติเร ก, กลาบมากเมื่อกี้องค์นันฮะในประเทศไทย แล้วก็นึกว่าพระทั้งหลายจะมีลักษณะอย่างไี้ถึงเป็นเรื่องที่น่าห่วงใ่ว่าพอถึงจุดหนึ่งคนก็ไม่กล้า บ, บวชอ่ะคนก็ไม่กล้า บ, บวชเพราะว่ากลายเป็นว่าบวชแล้วต้องมีปัญหาในด้านกฎหมายกฎหมายก็มาทับซ้อนในที่พระนี่เยอะนะฮะซึ่งซึ่งโยมไม่มีแต่ว่ากฎหมายมาทับซ้อนในิี่พระเยอะ ทั้งในส่วนที่ยกเว้นให้ทั้งในส่วนที่บังคับใช้ทั้งฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาถึงคานี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอ ง, งามไปบูรในธรรมจึงมีแ้่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี